ซื้อของทำทานต่อรองแม่ค้าจะเป็นการลดส่วนบุญไหมถามอยากทราบว่าถ้าต่อรองของที่เราซื้อเพื่อนำไปทำบุญจะทําให้เป็นการลดส่วนบุญหรือเปล่าตอบขอให้เข้าใจว่าจิตที่คิดทำบุญ เปล่งประกายกุศลออกมาเต็มที่ได้สามจังหวะได้แก่หนึ่งจิตขณะเตรียมทําบุญเช่นเพียงตกลงปลงใจแน่วแน่แล้วว่าจะทําบุญหรือขณะเมื่อเดินเลิกซื้อของ 2. จิตขณะกําลังทําบุญเช่นเมื่อหย่อนกับข้าวใส่บาท 3. จิตขณะหลังทําบุญเช่นเมื่อยังมีแก่ใจยิ้มไม่หุบ แม้เดินทางออกจากวัดแล้วสรุปว่าในขั้นของการเตรียมทาบุญยังไม่ได้ลงมือทาบุญจริงจิตก็บังเกิดภาวะกุศลแล้วเปิดกว้างสว่างระดับหนึ่งแล้วส่วนจะมีเหตุปัใจจัยให้สว่างบริสุทธิ์หรือเกิดมลทินก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องๆไปอย่างเช่นที่นี้เราพูดกันถึงเรื่องการต่อรองราคาของ ก็ขอให้ดูตามจริงว่าจิตขณะต่อรองเป็นอย่างไรเช่นหนึ่งจิตประกอบด้วยความโลภมากคือมีความคิดเอาจริงเอาจังอยากได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือคิดคำนวณเงินส่วนต่างอย่างละเอียดกระทั่งหมกมุ่นกับการเงินการทองจน จ, นจิตปิดแคบสภาวะกุศลนันเกิดจากเจตนาทำบุญย่อมมองลง ทำนองเดียวกับหลอดไฟขาวสว่างที่ถูกหมวกดำมาครอบบังอันนี้เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ว่าเมื่อใดจิตประกอบด้วยความโลภเมื่อนั้นจิตย่อมเข้าข่ายอากุศล 2. จิตประกอบการคำนึงคำนวณสมเหตุสมผลคือเห็นอยู่ว่าแม่้าตั้งราคาเกินควร หรือรู้อยู่ว่าของชิ้นนี้ตั้งไว้เพื่อให้ต่อรองไม่ครุ่นคิดโลภอยากเอาเปรียบใครจิตจึงไม่ถึงกับปิดแคบยังรักษาระดับความเป็นกุศลดั้งเดิมไว้ได้อันนี้ต้องใช้ใจเป็นเครื่องวัดหากรู้สึกว่าไม่เป็นไรถูกหรือแพงต่อรองได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญสาคัญที่เราเพ่งแรงจะเอาวัตถุนี้ไปทำบุญ เราเห็นประโยชน์ของวัตถุนั้นๆอย่างแท้จริงนั่นแหละมาตร ว, ว่ากุศลของเรายัางไม่หย่อนและไม่เกิดอกุศลใดๆขึ้นแทรกแซงบุญย่อมเกิดเต็มดวงเหมือนเช่นที่ซื้อเลยไม่ต่อราคาอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับต้องดูระยะอื่นประกอบด้วยคือขณะกำลังทำบุญและหลังทำบุญ คุณมีความชื่นใจกับการได้ทำบุญแค่ไหนถ้าชื่นใจมากไม่มีความอาลัยไม่มีความเสียดายรั์ที่บริจาคหรือถวายไปแม้แต่ น, น้อยก็แปลว่าการทำบุญนั้นๆมีความผ่องแผ้วใช้ได้ครับถึงแม้สะดุดนิดๆหน่นนอยๆตอนเลือกซื้อของก็ไม่ทำให้บุญแหว่งวิ้นมากนักหรอก